ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิยานถูรราหลวงพ่อชาสุขะโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องการเข้าสู่หลักธรรม ตั้ lla, lla, งใจฟังมีอะไรขัดข้องไหมมีอะไรไหมง่วงไหมการฟังคำนั้นก็เพื่อความเข้าใจในธรรมะแล้วก็จะต้องนำไปปฏิบัติให้ไปถึงในสิ่งที่เรามีความหมายมุ่งมุ่งหมาย อย่าเข้าใจว่าพอฟังธรรมแล้วก็จะดีเลยทีเดียวในการฟังธรรมนั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือจะต้องประกอบไปด้วยสถานที่ประกอบไปด้วยเวลาประกอบไปด้วยบุคคลและประกอบไปด้วยธรรมะ อย่างสถานที่ในวัดของเราเนี่ยมันเป็นป่ามันมีความสงบเมื่อพูดอะไรออกไปก็ไม่มีอะไรเข้ามาแทกมันเป็นสถานที่อันสมควรส่วนสถานที่อันไม่สมควรเช่นคนร้องเพลงก็ร้องเพลงไปคนเล่นก็เล่นไปมันก็วุ่นวายจะเอาพระไปพูดตรงนั้นมันก็ไม่สมควร หลวงพ่อเคยไปงานมงคลแต่ไม่ใช่งานมงคลหรอกเป็นงานอะมงคลซะมากกว่าพอจะให้รับศีลให้ฟังเทศเขาก็ไม่สนใจในศีลในเทศคนเล่นก็เล่นคนกินเหล้าก็กินสารพัดอย่างมานิมนต์พระไปเทศตรงนั้นก็เรียกว่าสถานที่ไม่สมควรบุคคล น, นั้นก็ไม่สมควร ไม่ควรจะวางธรรมเทศนาในที่ตรงนั้นในการฟังธรรมนั้นให้เราเป็นผู้ฟังเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้ชัดก็ต้องเป็นผู้ฟังฟังไปเถอะ ฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันถูกแน่นอนและอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันผิดให้ฟังแล้วเอาไปกลั่นไปกรองสักก่อนคือเอาไปภาวนาเอาไปพิจารณาเราเรียกว่าภาวนาในภาษาธรรมะภาษาโลกก็เรียกว่าพิจารณาเมื่อมาเข้าถึงธรรมะท่านก็เรียกว่าภาวนา ภาวนาหมายถึงทำให้มันถูกขึ้นทำให้มันดีขึ้นทีนี้เมื่อเราจะฟังธรรมเทศนานั้นมันก็เหมือนประหนึ่งว่าจะย้อมผ้าโดยปกติเราก็ต้องเอาผ้าไปฟอกไปซักให้มันสะอาดแล้วจึงเอามาย้อมด้วยสีที่เราชอบไม่ใช่เราไปเห็นสีมันสวยเราชอบก็จะเอามาย้อมผ้าของเราให้มันสวยแต่ผ้าที่จะย้อมไม่ได้ฟอกได้ซักเราก็เอามาย้อมเลยอย่างนั้นมันก็ไม่สวย เพราะผ้ามันไม่ดีมันไม่สะอาดการที่เราจะเข้าสู่หลักธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำใจให้สะอาดเป็นพื้นฐานอย่างเช่นที่หลวงพ่อให้ถึงพระรัตนตรัยเสียก่อนแล้วก็มาสมาทานศีลแล้วจึงมาฟังธรรมอย่างนี้หนึ่ง เบื้องต้นให้มีพระรัตนาไตรเป็นรากฐานการให้ถึงพระรัตนาไตรก็คือการให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคืออะไรพระพุทธก็คือผู้รู้รู้อะไรรู้ความจริงความจริงคืออะไรความจริงก็คือธรรมะ ส่วนพระสงฆ์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่พระศาสดาได้ตัดสรู้แล้วว่าเป็นความจริงฉะนั้นนั่งอยู่แถวๆนี้ก็เป็นพระสงฆ์ได้ทั้งนั้นแหละมันไม่ได้หมายถึงเครื่องแต่งตัวแต่มันหมายถึงผู้ปฏิบัติตามธรรมะปฏิบัติตามความจริงนั้นรวมเรียกว่าพระรัตนตรัคือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหพระสงฆ์หนึ่ง ท่านให้ถือว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นอย่างพ่อแม่ของเราเป็นผู้เลี้ยงเรามาเราก็เคารพบูชาพ่อแม่ของเราแต่ก็ต้องไม่ยิ่งกว่ า, วาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพ่อแม่ของเราก็ยังมีความเห็นผิดมากอยู่ถ้าจูงเราเข้าป่าเราจะทำอย่างไรแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกพ่อแม่ของเรา จะว่าไปแล้วพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนี่เป็นชื่อของผู้ประกาศความจริงเท่านั้นแหละความจริงถ้าย่อลงมาแล้วก็คือท่านให้เชื่อกันคือการกระทำของเราเราจะกระทำทางกายทางวาจาทางใจเพราะอะไรที่มันไม่เป็นโทษปราศจากโทษทั้งหมด ถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างในโลกที่ว่ามันน่าอัศจรรย์ก็ดีที่น่าเลื่อมใสก็ดีน่าอะไรต่างๆก็ดีอันนี้ก็ตามใจมันเถอะแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ว่ากรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเรากระทำทางกายก็เรียบว่ากายกรรัน กระทำทางวาจาก็เรียกว่าวจีกันกระทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรมท่านให้เชื่ออันนี้คือเชื่อในการกระทำของเราบางคนเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมฟังธรรมเข้าวัดเข้าวา แต่เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจบางทีก็ไปหาหมอดูจะไปดูว่ามันจะเป็นอะไรไหมหมอดูก็ทายว่าปีนี้ระวังนะไปรถให้ระวังไปเรือก็ให้ระวังระวังอุบัติเหตุนะเราก็กลัวกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้สารพัดอยา่างบางคนเมื่อจะออกจากบ้านหรือจะออกเดินทางก็ว่าจะไปวันไหนดีจะต้องไปหาหมอว่าจะออกวันไหนเวลาเท่าไหร่ บางทีหมอก็ว่าคุณอย่าไปเลยไม่ดีเราก็เลยกลับบ้านนี่เรียกว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อมั่นในคุณรัชตนาไตรไปเชื่อหมอดูอย่างพวกเราบางคนมาอยู่อุบลจะไปกรุงเทพก็มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อครับเดินทางวันไหนจะดีครับถ้าเดินดีมันก็ดีทุกวันนั่นแหละคือถ้าเราดีมันก็ดีทุกวันแต่นี่พอเจอหน้ากันก็ต้องเลี้ยงต้องกินเหล้าเมายากัน เมื่อไปมันก็เลยไม่ดีขับรถมันก็จะตกถนนถ้าเราทำดีแล้วมันจะเป็นอะไรเราเชื่อการกระทำของเราอันอื่นจะมาทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นไม่มีเราทั้งหลายจะต้องมีความเชื่อมั่นในการกระทำของเรา ไม่มีความลังเลสงสัยในพรตนาตัยอย่าถือมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวนั้นมันเป็นอักมงคลเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นเขาว่ามันเป็นอย่างนี้สารพัดอยา่างบางทีก็ว่าจะต้องไปเอาน้ำในสระตรงนั้นมันนะเลยวุ่นไปหา่ันจมน้ำในสระเป็นเลนเอากันอยู่นั่นแหละนี่มันตื่น พระพุทธองค์ท่านสอนให้เป็นคนนิ่งอยู่ด้วยปัญญาใครเขาจะว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ให้ฟังไว้ก่อนการทำจิตใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าทำให้มันแยกขายมันก็จะเกิดความเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยไม่มีความลังเลสงสัยมิฉะนั้นก็จะไม่รู้จักความจริงไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรจันแน่การมีพระรัตนตรัยเป็นรากฐานเป็นที่พึ่งของเรา จะทำให้ใจของเราแน่วแน่ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเราทำดีเท่านั้นแหละไม่ต้องลังเลสงสัยการไม่ลังเลสงสัยนี่แหละเรียกว่ามันเดินอยู่เรื่อยไปแต่ถ้าที่ความสงสัยแล้วมันก็จะกลับไปกลับมากลับมากลับไปวุ่นวายอยู่ตรงนั้น สสมาทานศีลเป็นคุณสมบัติเมื่อถึงพระระัตนาไตรแล้วก็มาสมาทานรับศีลผิดศีลมันดีไหมเราลองคิดดูให้ละเอียดอย่าเข้าข้างเราเข้าข้างใคร การไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์มันดีไหมการไม่ขโมยของคนอื่นนั้นมันดีไหมให้เราคิดดูเท่านี้ก็รู้และพวกที่มีครอบครัวแลนั้นอยู่ในวงจำกัดของเรามันดีไหมหรืออยู่นอกวงมันดีดูเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดไกลถามดูง่ายๆและมุสาการพูดโกหกนั้นมันดีไหมคิดให้มันซึง้ง เข้าทางธรรมะอย่าไปเข้าข้างเราไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากข้อที่ห้าเครื่องมึนเมาคนที่ปราศจากเครื่องมึนเมามันดีไหมอย่าเข้าข้างเจ้าของนะทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าหากว่าใครมีคุณสมบัติทั้งห้าประการนี้เราก็ไม่ต้องไปถามใครหรอกว่าฉันเป็นอะไร อย่างพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏินน ป, ปันโนสามีจิปฏิปันโนที่ว่าสุปฏิปันโนก็คือผู้ปฏิบัติดีดีกายดีวาจาดีใจเป็นคุณสมบัติของท่านเป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์เราก็เลยเรียกผู้นั้นว่าพระสงฆ์อุชุปฏิปันโน คือผู้ปฏิบัติตรงตรงกายตรงวาจาตรงใจด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของพรัยายะปฏิปันโนคือการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติไม่หลวงโลกปฏิบัติตามสัจธรรมถ้าหากว่าเป็นสัจธรรมแน่นอนแล้วใครจะว่าดีว่าชั่วก็ช่าง เราทำของเราไปเรื่อยๆบางทีเขาก็บอกว่าโอ้ยท่านอย่าทำเลยเดี๋ยวนี้โลกเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกเราก็ไม่ได้วันไหวไปตามเขาสามีจิปฏิปันโนคือปฏิบัติเอาศีลสมาธิปัญญาคำสอนของพระมาเป็นใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ญาติโยมพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้จะทำอะไรอะไรก็ให้ตรวจดูพื้นฐานนี้ ก, ก่อนอันนี้เรื่องพัฒนาตรต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้สาฝึกปฏิบัติอบรมจิต ส่วนเรื่องการปฏิบัตินั้นทุกวันนี้มันยิ่งไปกันใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่มาเที่ยวมาสนใจในการปฏิบัติได้ไปพบหลายๆแห่งไปพบอาจารย์นี้ท่านก็ไหวทำอย่างนั้นไปพบอาจารย์นั้นท่านก็ไหวทำอย่างนี้เลยวิ่งตลอดเวลาเลยคือมันไม่เชื่อมันมันไม่เข้าใจการปฏิบัติกรรมาฐานอย่างน้อยมันก็มีตั้งสี่สิบข้อเราไปเรียนกันมันก็หลายเกินไปเลยไม่รู้จะทาอะไร ยกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธขึ้นมาภาวนาใจมันก็ไม่สงบก็ไปดึงอันอื่นมาทำอีกเอาอันโน้นบักอันนี้นบัเลยวุ่นไปหมดไม่รู้เรื่องก็เลยเลิอกอย่างนี้ก็มีฉะนั้นการทำกรรมฐานจึงต้องมาทำความเข้าใจกับสีก่อนว่าทำไปทาไมทำให้มันเกิดอะไรมันมีประโยชน์อะไรไหม การทำกรรมฐานนี้ก็คือการมาฝึกจิตใจของเรานั่นเองเพื่อให้รู้จักจิตใจของเราเพราะจิตของเราเกิดขึ้นมาไม่เคยได้ฝึกปล่อยตามใจของมันเมื่อมันโมโหก็ปล่อยตามใจของมันเมื่อมันโกรธใครก็ปล่อยตามเรื่องของมันเราเป็นเด็กๆเกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่พ่อแม่ก็ยิ่งปล่อยตามใจไม่เคยรู้จิตไม่เคยฝึกจิตเราจึงมาทำกรรมฐานมาฝึกจิตรู้จักที่จะอบรมจิตของเรา เรียกว่ามาปฏิบัติธรรมแต่ใจของเรานั้นมันเร็วเร็วที่สุดเร็วกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งมเมื่อเรามาทำกรรมฐานมันจึงไม่ค่อยสงบความสงบมันจะเกิดขึ้นตรงไหนความสงบนี้มันจะเกิดขึ้นระยะที่เราปล่อยวางถ้าเราตึงเครียดเมื่อไรมันจะมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีความสงบภายในจิต ดูอย่างพระอานนุนท่านเป็นผู้รู้ธรรมะ ม, มากที่สุดเมื่อจะเอาจริงๆก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนอันนั้นมันก็ดีอันนี้มันก็ดีก็เลยดีกันทั้งคืนยิ่งตอนเช้าพรุ่งนี้เขาจะเรียกพระอาหารหันต์ทาการสังคยาณารวมทั้งพระอานนุนด้วยก็ยิ่งร้อนใจยังมีเวลาอีกคืนเดียวเท่านั้นก็เลยเร่งเต็มที่อยากจะเป็นพระอาหารหันต์แต่ยิ่งทาก็ยิ่งไปกันใหญ่ จนจะสว่างอยู่แล้วเพราะว่าเอ๊เราเนี่มันตึงเครียดไปละมั้งเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยง่วงก็ง่วงก็เลยจะพักผ่อนสักระยะหนึ่งพอท่านทอดอะไรเอนกายนอนมีตัวรู้อันเดียวพอจิตมันวางปุ๊บเท่านั้นแหละมันเร็วที่สุดพระอานนท์ท่านตรัสรู้เวลานั้นในเวลาที่วางพวกเราลองดูสิไปนั่งกรรมฐานกัดฟันครับขัดสมาธิยันเตายเป็นตาย เหงื่อไหลแมะแม่ความสงบไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นความสงบนั้นมันอยู่ที่พอดีพอดีเขาเรียกว่าดีเกินดีมันไม่ดีพอดีมันเกินไปมันดีไม่พอดีขนาดไหนก็ให้พอดีมันถึงดีดีเกินดีมันไม่ดีหรอกให้พวกเราเข้าใจอย่างนั้นแต่คนเราตันหามันก็ว่าต้องทำอย่างเฉียบขาดไปนั่งกัดฟันลองดูสิไม่มีทางวุ่นตลอดเวลา สสงบด้วยความคิดด้วยสมถานเรื่องกรรมฐานเนี่ยมันอยู่ด้วยอารมณ์คือให้มีอารมณ์อันเดียวอย่างเช่นเราจะดูลมหายใจเข้าออกก็ให้จิตกำหนดอยู่กับอารมณ์นี้เราอยู่ในโลกมันหลายอารมณ์เกินไปเดี๋ยวจะเอาอันนั้นอันนี้ไม่มีจบจึงวุ่นวายจิตไม่สงบ ทีนี้ท่านว่ามันเกิดกับอารมณ์มันอยู่ด้วยอารมณ์เราก the ็เลยเอาอารมณ์อ e ันเดียวเล่นอันเดียวอย่าไปเล่นอันอื่นเรียกว่าอารมณ์กรรมฐานเช่นหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าหรือให้เข้าพุทธออกโทก็ได้พุทโทพุทโทพุทธโทหรือว่าเข้าออกจะไม่ว่าพุทธโทก็ได้เมื่อเข้ามันก็พุทธเองเมื่อออกมันก็โทเองมันได้ความว่า เมื่ออาการของลมมันเข้าเราก็รู้จักเมื่อมันออกเราก็รู้จักคือเป็นผู้รู้มันเข้าเรารู้มันออกเรารู้ไอ้ตรงรู้นี่แหละมันเป็นพุทธโธอยู่แล้วไม่ต้องว่าพุทธไม่ต้องว่าโทไม่ต้องว่าพุทธไม่ต้องว่าโทมันก็ขี้เกียจจะว่าอีกนั่นแหละเขาะนะ้าใจั้ม อย่างยุบหนอพองหนอ่ออันนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่เราจะไม่ต้องว่ายุบหนอพองหนอก็ได้เราหายใจออกมันก็ยุบเองหายใจเข้ามันก็พองเองมันไม่ต้องไปว่ายุบว่าพองที่เราว่ายุบว่าพองคือให้มันออกเสียงในใจสักหน่อยมันจะได้ตั้งใจขึ้นมาความเป็นจริงมันยุบมันพองก็มันเองอยู่แล้วแต่เราก็เอาคําว่ายุบหนอพองหนอเสริมเข้ามาอีกไม่ผิดอันนี้ก็ไม่มีผิด แต่รวมแล้วก็คือให้เข้ารู้ออกก็รู้ตามสบายของมันเท่านั้นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่น้อมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะวุ่นวายให้เราตั้งสติขึ้นให้มันจดจ่ออยู่ในอารมณ์นั้นจนใจมันผ่องใสไม่มีง่วงเหนืไม่มีเหน็ดเหนื่อยให้มันเห็นชัดอยู่อย่างนั้น เมื่อเราจะฝึกจิตอย่างนี้นะั้นเรารู้ไม่ว่าจิตของเราคืออะไรอยู่ตรงไหนถ้าเราจะมาฝึกจิตก็ควรจะต้องรู้จิตของเราบางทีเราไม่รู้จักเมื่อเวลามันวุ่นวายขึ้นมาเราก็รู้แต่ว่ามันวุ่นวายแต่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ตรงไหนถ้าเราจะพูดเข้าไปจริงๆแล้วจิตเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็คือจิตนั่นแหละเมื่อเขาเอาชื่อจิตเข้ามาแทรกเราก็เลยหลงจิตนี้มันคืออะไรเนอะ พูดง่ายๆก็คือว่าคนที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละคือจิตคนที่รับรู้อารมณ์ทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วสารพัดอย่างนี่แหละสมมติว่าเป็นจิตถ้านํามันไปฝึกแล้วมันรู้จริงมันก็เป็นพุทโทคือผู้รู้เป็นผู้รู้จรงิงคือรู้แล้วไม่มีทุกข์แต่ถ้าจิตนี้ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมมันก็เป็นผู้รู้ไม่ได้เพราะมันมีพูดหลงมาปนเปมันอยู่ คือถ้าชอบใจมันก็ดีใจถ้าไม่ชอบใจมันก็เสียใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอามันมาฝึกให้มันรู้เท่าทันอารมณ์จนกว่าที่จิตมันจะสงบเมื่อมันสงบมันก็ไม่ไปไหนมันขี้เกียจจะไปเหมือนกันอย่างไรก็ตามความสงบอย่างนั้นยังไม่มีปัญญาอะไร เข้าไปสงบอยู่เฉยๆเรียกว่าสมถะความสงบอย่างนี้มันไม่แน่นอนบางทีเราได้มันเป็นบางครั้งบางทีวันนี้มันสงบพรุ่งนี้ไปทํามันก็ไม่สงบเราก็ว่าเอ๊ะเมื่อวานทําไมมันสงบดีเลื่อเกิดทําไมทําไม่ ไ, มได้เรื่องได้ราวมันเป็นอะไรเนาะถ้าไปตะครุบมันอยู่อย่างนี้ความสงบตอนนั้นไม่รู้เรื่องเสียแล้ว เ ป, เป็นความสงบที่ไม่แน่นอนเช่นว่าหูของเรามีอยู่เรื่องรับมีอยู่แต่เมื่อไม่มีใครมาพูดมาด่าให้เราได้ยินเราก็ยังสบายยังสงบอยู่อีกวันหนึ่งพอมีเรื่องเข้าไปทางหูเท่านั้นมันก็เกิดความไม่สงบขึ้นมาฉะนั้นความสงบนั้นจึงเป็นความสงบเพราะมันปราศจากอารมณ์ต่างๆมันก็สงบเฉยๆอยู่ในอารมณ์อันเดียว แต่เมื่อมีอารมณ์ต่างๆผ่านมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มีความเกิดขึ้นมาเกิดดีใจเกิดเสียใจขึ้นมาเกิดชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมาเลยวุ่นอันนี้เพราะความสงบนั้นเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานไม่ใช่เรื่องของปัญญามันสงบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เด็ดขาดคือมันไม่ได้สงบเพราะรู้ตามความเป็นจริง เหมือนใบไม้บนต้นไม้เมื่อไม่มีลมมาพัดมันก็สงบนิ่งแต่ถ้ามีลมมาพัดก็กวัดแกว่งความสงบอันนี้มันจึงมีอายุสั้นที่มันสงบอยู่ก็เพราะอาศัยอารมณ์ที่มันไม่เปลี่ยนแปลงท่านเรียกว่าสงบจิตไม่ใช่ว่าสงบกิเลสฮา ปล่อยวางละด้วยวิปัสนาอย่างไรก็ตามเมื่อมีความสงบเช่นนั้นสติมันก็จะค่อยดีขึ้นมาจะเห็นอะไรชัดขึ้นกว่าที่ไม่ได้ทําความสงบแล้วก็สร้างปัญญาสร้างวิปัสนาให้มันเกิดให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาต่อไปเราจะเข้าใจว่า เมื่อตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงเป็นต้นฉันจะให้มีความสงบคือทำจิตให้มันรู้เรื่องมากขึ้นให้รู้ชัดด้วยปัญญามีความสงบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจะต้องหล่อเลี้ยงปัญญาให้มันเกิดขึ้นอะไรจะทำให้ปัญญาเกิดก็ให้อาหารมันสิเหมือนเอาข้าวเอาน้ำให้เราเราก็โตขึ้นมา ปัญญามันจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยอารมณ์เหมือนกันแต่ต่างจากสมถะสมถะนั้นเช่นว่าพุทโธพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกแค่นี้มันก็สงบได้แต่ว่าอาหารของปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นต้องเปลี่ยนอาหารให้มันเช่นแม้เราจะทำความสงบเกิดขึ้นมาได้เราก็ต้องชี้บอกมันว่าอันนี้มันก็ไม่เทียมมันจะชอบขนาดไหนก็บอกว่าอันนี้มันก็ไม่เทียมบอกเท่านี้แหละปัญญามันจะโตขึ้นมา ทำไมมันถึงโตกเพราะมันมองเห็นความไม่เที่ยงตลอดตามที่เราพิจารณาอยู่แต่เมื่อยังไม่มีปัญญาจิตหรือผู้ที่รับรู้อารมณ์นั้นอันนั้นเขาว่าดีก็ไปตะครุบเรามันก็กัดเราอันนี้ว่าไม่ดีก็ตะครุบเรามันก็กัดเราเท่านั้นเองดีมันก็กัดเราไม่ดีมันก็กัดเรา แต่ถ้าเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราเขาว่าอันนี้มันไม่แน่ไม่ตะครุบมันมันก็ไม่กัดเราดูไปเรื่อยเรื่อยมองดูข้างหน้าข้างหลังก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนสักอย่างเมื่อเห็นชัดเช่นนี้อารมณ์ทุกอย่างมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นความยึดมั่นอุปทานมันก็น้อยเข้ามาน้อยเข้ามาจนเป็นเรื่องธรรมดาเป็นตาธรรมดาเป็นหูธรรมดามีความรู้สึกธรรมดาสักแต่ว่ามันชอบสักแต่ว่ามันไม่ชอบ สักแต่ว่ามันทุกข์สักแต่ว่ามันสุขมีแต่สักแต่ว่าเท่านั้นมันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมดาในตัวของมันเองปัญญามันเห็นชัดอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาคือความรู้ตามความเป็นจริงรู้แล้วมันวางไม่ตะครุบเดี๋ยวมันกัด แต่ก่อนนี้ผู้รู้อารมณ์นั้นมันมีความสมําคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นแต่เมื่อจิตมันเห็นชัดปัญญามันเกิดเห็นสัจธรรม ต, มตามความเป็นจริงแล้วมันก็มีการปล่อยวางในตัวของมันถ้าเป็นเด็กมันโตขึ้นมาบ้างแนละ้วมันเปลี่ยนการให้อาหารแนละ้วการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้จึงเรียกว่าการปฏิบัติธรรม พิจารณาหลักสัจธรรมพระพุทธองค์ท่านก็เคยได้พิจารณาในเรื่องความเกิดท่านก็สงสัยว่าความไม่เกิดมันจะมีไหมเนอะแต่ท่านก็มาพิจารณาว่ามันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีสว่างแล้วมันก็มีมืดฉะนั้นเมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดเหมือนกัน ท่านก็พิจารณาอยู่ในตรงนี้แหละไม่ต้องไปเรียนคำพีอยู่ที่ไหนอย่างเช่นเราไปสอบวิชาหนึ่งที่เขาเขียนปัญหาให้เราตอบเราตอบไม่ได้แต่มันก็มีคำตอบหรือข้อเฉลยอยู่ถ้าไม่มีข้อเฉลยมันมีปัญหาไม่ได้เราจรึงต้องค้นมันตรงนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงไม่ส่งท้อใจเพราะเมื่อความเกิดมันมี ความไม่เกิดมันก็ต้องมีแน่ท่านก็ทําไปทําไปจนเห็นชัดขึ้นมาท่านพบว่าความเกิดก็คือความที่มีอุปาทานยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเป็นพบเป็นชาติติดต่อกันไปเป็นปฏิจจสมุปปันธรรมเช่นต้นลำใหญ่ต้นหนึ่งอยู่ที่หน้าบ้านของเราเราก็ว่าเป็นของเราไปดูอยู่ทุกวัน เดินไปเดินมาก็วันนี้ต้นลำใหญ่ของเราทีนี้อีกต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านคนอื่นเราก็ไม่ได้เห็นนึกว่าเป็นของเรามาวันหนึ่งมีคนมาตัดต้นลำใหญ่ที่หน้าบ้านของเราเราก็เป็นทุกข์หลายเพราะมันตัดของเราอีกวันหนึ่งเขามาตัดต้นลำใหญ่ต้นอื่นหน้าบ้านคนอื่นเราก็ไม่เป็นทุกข์แค่นี้มันทำให้สุขทุกเกิดขึ้นมาอุปทานเป็นตัวทาให้เป็นทุกข์เป็นความเกิดขึ้นมาตรงนี้ เพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจรารณาว่าอุปทานทําให้เกิดภพภพทําให้เกิดชาติชาติแล้วก็ชาราพยาธิมรณะนีน่พระพุทธองค์ท่านทรงเห็นเท่า น, นี้เห็นชัดแจ้งอย่างนี้แล้วก็หายสงสัยฉะนั้นเพื่อให้มันเห็นชัดเราจะต้องมาฝึกอบรมจิตของเรา ในตัวบุคคลคนหนึ่งก็มีจิตหรือผู้ที่รับอารมณ์นี่แหละสำคัญมากที่สุดถ้าจิตนี่มันหลงมันก็หลงไปหมดตามันก็หลงหูมันก็หลงถ้าได้อารมณ์ที่ดีก็ดีใจถ้าได้อารมณ์ที่ไม่ชอบก็เสียใจคือจิตอันนี้มันยังไม่ได้อบรมการที่เรามาทำกรรมาฐานกันนั้นก็เพื่อมาอบรมจิตนี่แหละแต่ว่าก็ไม่ใช่ง่ายๆนะโยมนะมันลาบากเหมือนกัน แต่มันก็ง่ายอยู่ในที่ลำบากนั่นแหละมันง่ายอยู่ที่มันยากตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาของเราทุกคนจะต้องให้มันมีความลำบากยากแค้นซสีก่อนไม่ใช่ว่าเรามาทำกรรมฐานปุ๊บมันก็จะดีเลยทุกมันจะหายเลยไม่ใช่อย่างนั้นเราจะต้องทำไปจนกว่ามันจะเห็นชัดอย่างท่านว่าอนัตตาแต่เราก็ยังเห็นว่ามันเป็นอัตตา เป็นตัวเป็นตนไอ้นี่ก็ของฉันไอ้นั่นก็ของฉันนั่นลูกฉันนั่นสมบัติของฉันไปสร้างให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทั้งนั้นแต่พระก็มาเทศน์ให้ฟังว่ามันไม่ใช่ของเรานะไอ้นี่ก็ไม่ใช่ของเราไอ้นั่นก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เข้าใจบางทีจะโกรธพระก็ได้เรานึกว่าเป็นของเราแต่ท่านมาเทศวราไม่ใช่ของเราเราก็เลยอ่อนใจไม่รู้จะทาไปทำไมเราจึงต้องคิดพิจารณาจนมันเห็นว่า มันเป็นสมบัติของโลกทั้งหมดแล้วทำไมเราจึงงัดแงจิตใจของเราออกไม่ได้ละ่ะนี่เพราะมันหลงติดอยู่ในนั้นนั่นเองฉะนั้นคำสอนของพระที่เรามาฝึกกันนียก็เพื่อจะมาให้ทุกเกิดขึ้นมาคือไม่ให้ไปสำคัญมั่นหมายให้ไปทำลายความรู้สึกว่าเป็นอัตตา แต่คนเราไม่ค่อยจะชอบใจอย่างเช่นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์ท่านจึงให้ตัดไม่อยากให้เกิดแต่พอท่านว่าไม่อยากให้เกิดเราก็ไม่ค่อยพอใจสักหรอที่ท่านไม่อยากให้เกิดเพราะมันทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นมามันก็มีพร้อมตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีวุ่นวายหลายอย่างท่านจึงให้ตัดพบตัดชาติคือไม่ให้มันเกิดเพราะเมื่อเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์แต่เราก็ไม่ยอมขอทะอย้ายหนีไปเลย อยู่นี่แหละอย่างนี้มันจึงวุ่นวายคืออะไรที่ท่านว่าไม่เที่ยงแต่เราก็อยากให้มันเที่ยงอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็อยากให้ใช่ของเรามันก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นผู้ที่พ้นทุกข์แล้วอย่างพระอริยเจ้าของเราทุกวันนี้ ถ้าหากว่าคนไปเห็นสงสัยจะหาว่าเป็นโรคประสาทก็ไม่รู้นะการไปมาการพูดการจา ก, การกระทํำของท่านเป็นเหมือนคนที่มีกิเลสตัณหาเราก็ดูไม่ออกอย่างแท่งทองแท่งหนึ่งท่านก็ว่าเป็นดินแต่เขาก็ว่าเป็นทองถ้ามันเสียไปเราก็ร้องไห้แต่ท่านเห็นว่ามันก็เหมือนก้อนดินก้อนหนึ่งถ้าหากว่าบางเอิญเราไปเห็นท่านเขียวก้อนทองนั้นทิ้งไปเราก็จะว่าโอ๊้เอะคนนี้มันเป็นโรคประสาทแล้วมั้งไม่รู้ใครเป็นโรคประสาทแน่ ก็ไม่รู้นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยอาตมาว่าเอาแค่ศีลธรรมซะก่อนเช่นถ้ามันโกรธขึ้นมาก็อดไว้อย่าปล่อยตามใจมันไปเลยหรือถ้ามันอยากขึ้นมามากก็ตามใจมันมน้อยๆให้พอประมาณอย่าปล่อยตามมันเต็มที่ถ้าเราปล่อยมันเต็มที่โลกมันจะแตกให้อดไหม่ให้กลั้นอย่าปล่อยเต็มที่ของมันให้มันมีศีลธรรมไว เท่านี้ก็เรียกว่ามันสมควรอยู่แล้วเราแต่เราก็จะต้องทำกรรมฐานของเราเรื่อยๆไปให้มันชัดเข้าไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไม่ใช่ว่าทาปุ๊บปั๊บมันจะได้เลยค ร, รมะปฏิสันฐานเ่าละเรามากันกี่คืนแล้ว ได้อะไรไปบ้างล่ะใครนึกอยากจะกลับไปกรุงเทพบ้างน่ะเหนื่อยไหมมีกําไรหรือขาดทุนหรืออยู่ทนไอความเป็นจริงที่เรามากันนี้มันก็ดีมันละกิเลสได้อย่างหนึ่งเหมือนกันออกจากบ้านมาอยู่อย่างนี้มันจะมองเห็นสภาพอะไรล้าหลายอย่างความรู้สึกนึกคิดมันก็รู้อะไร้าหลายอย่างคนที่อยู่กับที่จนเกินไปมันก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้กับเขา มันก็ลำบากทุกปีถ้ามาอย่างนี้เรียกว่าไปทุดดงก็ได้ไปทุดดงเหมือนพระเอาละพูดเท่านี้แหละทีนี้ใครมีปัญหาอะไรจะถามเดี๋ยวนี้มันพูดหลายไม่ได้เขาไม่ให้พูดหลายสแส้วอาศัยเขาอยู่มีไหมขัดข้องอะไรไหมพุทฉาวิสัชนา มีปัญหาขอถามอยู่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับท่านอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์เองเกิดความสงสัยในธรรมะนี้ตั้งแต่เมื่ อ, อไรหรือเพิ่งเกิดความสนใจตอนมาบวชหรืออย่างไรอ๋ตอนมาบวชพระเนี่ยแหละไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันมีปัจจัยมีนิสัยปัจจัยเช่นเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เคยโกหกใครชอบนิสัยตรงไปตรงมาอยู่เสมออย่างเช่นแบ่งของกันนะไปหาเงินมาหรือไปหาอะไรมา เมื่อมาแบ่งกันก็ชอบเอาน้อยกว่าเขาเกรงใจเขาเป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาจนตลอดมาเมื่อธรรมชาติอันนี้มันแก่ขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นอยู่นั่นแหละเรามีความคิดอย่างนี้เมื่อไปถามเพื่อนเขาก็ไม่เคยคิดมันเป็นของมันเองเรียกว่ามันเป็นวิบากทีนี้เมื่อเราพิจารณามันเรื่อยๆมันก็โตของมันเรื่อยๆ มันเป็นเหตุให้ทำอย่างนี้มันเป็นเหตุให้คิดอย่างนี้อย่างเมื่อตอนเด็กเนี่ยถ้าจะเล่นกันแล้วชอบจะเป็นนายเด็กอื่นๆต้องเป็นลูกน้องบางทีไปเล่นคิดอยากจะเป็นพระก็ตั้งตัวเป็นพระขึ้นแล้วพวกเด็กอื่นๆเราก็ให้เป็นอุปถัมา์ถึงเวลาก็ตีระฆังเพลนเก่งเก่งก่งก่งแล้วก็ให้เอาน้ำมากินมันเป็นอย่างนี้ นิสัยมันเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็มาในระยะหนึ่งโตขึ้นมาอายุสัประมาณสิบห้าสิบหเบื่อไม่อยากอยู่กับพ่อแม่คิดอยากจะไปมันเรื่อยๆไม่รู้ทําไมมันคิดอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมาหลายปีเหมือนกันไม่รู้มันเบื่ออะไรก็ไม่รู้อยากไปคนเดียวอยากไปไหนๆอันเนี้ยเป็นอยู่ระยะหนึ่งแล้วเราก็ได้มาบวชพระ อันนี้มันเป็นนิสัยแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้มันใช่ไหมแต่ว่าอาการมันเป็นอย่างนี้ตลอดมาสำหรับท่านพระอาจารย์ตอนถึงคราวปฏิบัติจะฝึกตนเองเกิดมีปัญหาอะไรไหมโอ้หลายมันมีหลายปัญหาในชีวิตนี้ มันพูดไม่จบละ่ะมากที่สุดวันปฏิบัตินะทุกมากเช่นบางวันอยู่ตามป่าฝนตกทั้งคืนนั่งเปียกคิดถึงชีวิตเจ้าของแล้วก็นั่งร้องไห้น้ำตาก็ไหลทั้งดีใจด้วยทั้งมีศรัทธาทั้งเสียใจบอกไม่ถูกตรงนี้แต่ก็ไม่หยุดใจมันกล้ามากที่สุด ทีนี้ถามถึงตอนท่านอาจารย์มาบวชแล้วถึงเวลามันก็บวชได้เราค่อยๆทําไปแต่ว่าให้มีความสนใจอยู่เสมอเรื่อยๆไปเราจะทําอะไรเช่นมีความรักรูปก็พิจารณามีความเกลียดรูปก็พิจารณามันเป็นของไม่แน่นอนทั้งสองอย่ญญางพิจารณาเรื่อยไป จนกว่ามันจะเห็นชัดคนเรานั้นมันไปติดในความสุขของความทุกข์มันจึงเป็นเหตุอย่างเช่นเรื่องกามกามนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเหมือนกันกันกบคนกินเนื้อสัตว์เมื่อเนื้อมันเข้าไปติดฟันเจ็บปวดเราก็ไปเอาไม้จิ้มมันออกก็อ่าสบายอีกสักหน่อยก็คิดอยากอีกแล้วแล้วก็มากินอีก เนื้อมันยัดเข้าไปในซี่กฝันก็ปวดอีกก็หาไม้มาแย่มันออกโอ้สบายอีกแล้วแล้วก็อยากนี่เรียกว่ามันไม่รู้จักเอาล่ะนะเทศให้ฟังเท่านี้ก็พอนะเอาพอป่านนี้แหละ